เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้นประเด็นแปประเด็นซึ่งมีอยู่ในสองส่วนนั้นคือ 1. กัทถปัญญัติวาระประเด็นที่ว่าบัญญัติไว้ณนะที่ไหนหมายถึงสถานที่ซึ่งทรงบัญญัติสิกขาบทรวมทั้งบุคคลผู้เป็นต้นเหตุให้บัญญัติสิกขาบทเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นต้นสอง ตาปติวาระประเด็นที่ว่าเมื่อทำความผิดนั้นๆลงไปแล้วจะต้องอาบัตอะไรบ้างเช่นภิกษุลักทรัพในกรณีเช่นไรต้องอาบัตปาราชิกอาบัตทุลัดใจและอาบัตทุกกฏ 3. วิปัติวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นๆจะเป็นศีลวิบัติความบวกคร่องทางศีล หรืออาจารวิบัติความบกพร่องทางความประพฤติเป็นต้น 4. สังฆหิตะวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้ น, น, นสงเคราะห์หรือจัดเข้ากับกองอาบัติอะไร 5. สมุดฐานวาระประเด็นที่ว่าการทำความผิดนั้นเกิดขึ้นหรือมีสมุดฐานทางกายวาจาหรือใจ 6. อธิกรณ์วาระประเด็นที่ว่าการทําความผิดนั้นๆเป็นอธิกรประเภทไหนในสี่ประเภท 7. ส ม, มถวาระประเด็นที่ว่าการทําความผิดที่เป็นอธิกรนั้นๆจะระงรับด้วยวิธีระงรับ7อย่างข้อไหนบ้าง 8. สมุจจะยะวาระประเด็นที่ว่าการทําความผิดนั้นๆ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 คันธกะปุจชาคำถามคำตอบเกี่ยวกับคันธกะคือหมวดต่างๆในพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ถึงเล่มที่เจ็ดคือทั้งมหาวัคและจุลวัครวมทั้งสิ้น22หมวดหรือ22สองคันธกะว่าในแต่ละหมวดนั้นนั้นกล่าวถึงอาบัตไว้กี่ประเภทเอกุตตริกะ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 การรื้อฟื้นอธิกรณ์มูลแห่งอธิกรณ์อาบัติที่เนื่องในอธิกรณ์ทั้งสี่ประเภทวิธีระ ง, งับอธิกรณ์ซึ่งเคยกล่าวมาแล้วทั้งสิ้นเป็นแต่นามาจัดเป็นหมวดหมู่ขึ้นใหม่อป ร, ราคาถาสังฆนิกะหมวดหอือชุมนุมคาถาหรือบทประพันธ์อื่นอีกเป็นการประพันธ์คำอธิบายเป็นคำฉันเพื่อช่วยความจา เกี่ยวกับการโจทฟ้องการถามให้ระลึกเป็นต้นรวมทั้งลนะักษณะที่จะนับว่าเป็นอลาชีโจทนากันว่าด้วยวิธีโจทฟ้องว่าจะทำอย่างไรภิกษุผู้โจดผู้ถูกโจดและสงจะควรทำอย่างไรจุลสงครามว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุผู้ถูกฟ้อง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 กรถินเพศประเภทแห่งกระถินใครกลานไม่ได้ใครกลานได้กระถินไม่เป็นอันกรานอย่างไรเป็นอันกลานอย่างไรรวมทั้งหัวข้อควรจำต่างๆเกี่ยวกับกระถินความจริงกล่าวไว้แล้วในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเล่มสี่แต่นำมาตั้งเป็นหมวดเป็นหมู่ให้จาง่ายอีกอุปาลีปัญจกะ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 ภิกษุผู้ควรได้รับมอบหมายงานนี้ควรประกอบด้วยคุณสมบัติห้าอย่างมีอะไรบ้างหมวดที่สิบว่าด้วยการระงับอธิกรณ์หมวดที่สิบเอ็ดว่าด้วยสงแตกกันตอนที่หนึ่งหมวดที่สิบสองว่าด้วยสงแตกกันตอนที่สองหมวดที่สิบสาว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าถิ่นหรือประจำอยู่ในวัดหมวดที่สิบสี่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 ความจริงน่าจะเรียกว่าตอนสามเราะข้างต้นมีสองตอนอยู่แล้วแต่อาจจะถือว่าสองตอนแรกรวมเป็นหนึ่งตอนก็ได้เสธะโมจะนาคาถาคาถาเหงื่อแตกคือคำพระพันธ์ตั้งปัญหาวินัยให้คิดชนิดยากๆแบบกลนเนนอดเพลงคือคิดไม่ออกจนอดข้าวกลางวันรวมสี่บสามข้อและไม่ได้เฉลยไว้ ซึ่งคําอธิบายมีอยู่ในอัถกถาปัญจวักว่าด้วยเรื่องต่างๆรวมห้าหมวดหรือห้าวักคคือวักที่หนึ่งว่าด้วยกรรมคือการทํากรรมของสงชนิดต่างๆ่างวักที่สองว่าด้วยความมุ่งหมายในการบัญญัติสิกขาบทวักที่สามว่าด้วยการบัญญัติให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในทางพระวินัย วัคที่สี่ว่าด้วยสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรวักที่ห้าว่าด้วยการสงเคราะห์หรือการรวมเรื่องต่างๆรวมเก้าประเภทได้กล่าวไว้แล้วว่าพระไตรปิฎกเล่มแปดอันมีชื่อว่าปริวาระนั้นไม่มีอะไรใหม่